เพื่อให้รู้จักความพ อ, อดีความเหมาะสมของพวกเรานั่นเองสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นสาวกของท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้คือสุปฏิ ป, นปันปปปโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกอันนี้ สามีจิตปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบนี่เป็นหลักที่สำคัญที่พวกเราจะยึดใ้แน่นไว้ในใจอย่าลืมเป็นอันขาดฉะนั้นการพูดมากอันนี้เป็นเหตุกับบุคคลที่ไม่มีปัญญาการสงสัยระมาก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 และมันดีมากแล้ว ก, ก็ขออาใัยของปดท่านทางหลายที่ประสบมาใน่ในี้นอาการผิดพลาดวางประการนี้ในคณะสงฆ์นีก็ดูดูไปเพราะว่าไม่เคยจะดูเรื่องมาพบกันใหม่แต่สะกดรอยอยู่ตามไม่เยหยุดดังนั้นเมื่อเหตุอะไรมันเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็จงบัญญัติ ตามเหตุที่มันเกิดขึ้นว่าไม่ใช่ว่าท่านบัญญัติก่อนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสหธรมิกต่างคนต่างจิตใจมาร่วมกันนั้นก็ฟังแต่ก็มีความตั้งใจมั่นอยู่เสมอมีความบางังคีอยู่เสมอว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่มีพระที่ปกครองอยู่นานจะแต่เป็นสถานที่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 เช่นที่ท่านทํามาแล้วนะ่ะมันไม่สงบกานทำไม่สงบที่ท่านสั่งขึ้นว่าหยุดให้การพูดกันเสียะดีเป็นตัวอย่างแล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาออันนี้ก็ได้ว่าการกระทําเช่นนี้ไม่ใช่ไหวหวั ง, งดีซึ่งพอกท่านทั้งหลายมาหยุดที่นี่ได้เป็นประโยชน์นี่คือความบวังดีอื่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 คนในครั้งพุทธกาลกับคนในสมัยนี้ถ้าเป็นปุถุชนเหมันก็เป็นปุถุชนเหมือนกันตรงนั้นเหมือนกันตรงนั้นฉะนั้นการยุ่งยากการลําบากที่ในการประพฤติปฏิบัตินี้มันที่เกิดกนมีอืมเพราะว่าทําไมเราฝืนมันมเราฝืนมัน พระข้อประพฤติปฏิบัติท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องฝืนมันสวนความรู้สึกของเราซึ่งมันเข้าข้ามตัวเรามากทุกแขนงต้องฝืนเช่นนั้นเช่นว่าเรามันอืมทานอาหารมากอย่านี้เป็นต้นมาที่ทานวัาานนี้มันน้อยทานไม่เดียวนี่ก็ฝืนฟ้องกัน มันฝืนพอทุกอย่างมีแต่เรื่อฝืนฝืนทั้งนั้นกต่เพราะอะไรนะเราเป็นปู้ตุชนเราซึ่งเป็นผู้ตุชนอยู่ถ้าเราไม่ฝืนความรู้สึกของเราอันนี้ห้ความเป็นผู้ตุชนยื้ อ, อันตรพานนั้นมันก็ยังฝังอยู่ในสันดานของเราด้วยไป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 อันแยกคายก็ไม่เห็นความรู้สึกของเจ้าของกับสัจธรรมมันเปลี่ยก น, ยนยกันอย่างไรมันแปลกกันอย่างไรมันมันก็ไม่รู้สึกฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้ไม่ใช่วิบัตเป็นข้อปฏิบัติถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงแล้ว ปฏิบัติตามก็เป็นข้อปฏิบัติถ้าใครๆไม่ยอมรับความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงและไม่พยายามทำทาตามใจชอบของเรานั่นแหละมันก็เป็นวิบัติมันเป็นปฏิบัติแล้วมันก็เป็นวิบัติเขียนคู่กันไป ถึงแม่็จะบวชมาถึงยี่สิบพรรษาสามสิบพรรษาก็ตามทีนมันก็ไม่รู้รถธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมนุษย์ชาวประมงเขาไปจับปลาในหนองก็ไม่มีปลาไปทุกวันมันก็ไม่ได้ทุกวันเวียนเหวไปทุกวันทุกปีมันก็ไม่มีไปทุกวันก็ไม่ได้ปลาทุกวัน จะไปเท่าไรมันก็ไม่ได้ปลาทำไมก็เพราะปลาในหนองนั้นไม่มีนี่มื่อตันกระกันฉันนั้นเช่นตัวผมเองนี้จะถือว่าผมไี้บวชมานานก่อนประทันทางไหนเนี่ยหนึ่งผมจะได้มรกผมจะได้ผลผมจะได้ความเลิอดความดีอะไรก็เปล่าครับเปล่าหนนานหรือชา้าหรือเร็วนี้ไม่เป็นประมาณครับ มันเป็นประมาณในการที่ถูกต้องความถูกต้องเป็นประมาณนี้ที่เกิดจะถือว่าแม่ท่านตั้งจา์ท่านบวชตัง้งยี่สิบพรรษาแล้วนะอย่างนี้มันก็ได้แต่ยี่สิบพรรษานั่นแหละไอ้ที่ความถูกต้องมหันไม่มีนะั่นมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเส้นเป็นนว ก, กะที่เข้ามาปฏิบัตินี้ เป็นต้นถ้าพวกท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณาให้มันแยกทายถูกต้องความบรรลุถึงธรรมะของพวกท่านทั้งหลายก็เกิด ม, มีเกิดมีขึ้นมาการบรรลุธรรมะการกัดจารุธรรมะนี้ถ้าเรามาคิดไปอย่างหนึ่งก็รู้เหมือนว่ามันเป็นของสูงเกินไปไม่ควรที่เราจะเอามาพูดให้บรรลุธรรมะ ไอ้ความเป็นจรงคนเหมือนเราเนี่แหละเสมอแล้วที่จะบรรลุธรรมะไนดะ้อืมบรรลุธรรมะอืมบรรลุธรรมะยังไงคือเราเข้าใจในธรรมะอันนี้มันบาปบาปนั่นคือมันผิดมันผิดนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ต้นและมันไม่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นทั้งนั้นเนี่ยของทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวมันไม่เกิดประโยชน์ต้นประโยชน์คนอื่นแล้ว เข้าใจขัดเจนแค่นีน้ก็เดียวว่าเราบรรลุธรรมะซึ่งเป็นในทางที่จควรละเมื่อเริกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แลว้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นพ่อปฏิบัติในการกระทำคําสอนของปปุตเิยาน ก, การบรรลุธรรมะก็คือการรู้แจ้งธรรมะไม่ใช่วางเป็นอะไรอย่างอื่นเช่นเราเดินไปท่านะ้ําบรรลุท่านะ้ําหรือท่าเรือเรา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 เมื่อบรรลุถึงธรรมะแล้วกิเลสทั้งหลายนั้นนะมันก็สางไปมันก็ลดไปเป็นธรรมดาของมันเมื่อเรามีความเห็นชอบไอความเห็นผิดมันก็เลิกไปเป็นธรรมดาเช่นนั้นอันนี้เรียกว่ า, าการบรรลุหรือการเห็นธรรมะมันเป็นชนีดธรรมะอ น, นั้นมันคืออะไรเปิดหนังสือดูมีแตธรรมะแนั้น อันนั้นมันก็เป็นตัวหนังสืออันหนึ่งคือชี้ให้ไปบอกธรรมะอยู่ความจริงอืมนะเป็นทางดําเนินหรือเป็นไอ้อเครื่องมือที่ชี้ไปบอกความจริงอนนั่นะไอ้ธรรมะมันก็ยังไม่มีอยู่ในนั้นอนะ่ะไม่มีอยู่ในหนังสือหรอกมันก็อ่านไปนะั้นตัวธรรมะที่จริงๆนั้นเนี่ย่ที่เหตุผลที่มันเกิดจากความจริงอันนั้นมันเป็นตัวธรรมะ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 พวกพุทธบริษัททั้งหลายนี่จริงเป็นไปไม่สม่าเสมอกันเพราะความรู้จากตามเป็นจริงนี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการกระทำไอ้ความรู้เกิดจากการปฏิบัติความรู้เกิดจากการกระทำนี้กับความรู้ที่เราเรียนวิเราอ่านหนังสือนี่มันไกลกันมาก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 นั่นความรู้ชนิดหนึ่งเดียวไอ้ความรู้หรือการจํามันเป็นเช่นนั้นไอ้ความรู้หรือการภาวนานี้มันจึงมีนั่นมายฉะนั้นพระบร ม, มาศาสด า, า, าของเราจึงเน้นหนักในการภาวนาในการปฏิบัติอย่างที่พวกท่านทั้งหลายมาอบรมในวันนี้มาอบรมเพื่อตนเอง ถึงไม่ว่าจะมาอาศัยคนอื่นก็เป็นบางอย่างบางประการร่วมที่แท้จริงเนี่ยมันจะอาศัยตัวของตัวจริงๆซึงจะเป็นไปได้่างนั้นเมืม่อความเข้าใจรึกซึ้งจากความเป็นจริงนั้นมันดื่มไม่ได้มันดื่มไม่ได้จะนั่งจะยืนจะเดินมันดื่มไม่ได้ ในอิริยาบถ ท, ท้งหลายในการยืนการเดินการนั่งการนอนอิริยาบถทางหลายนี้มันมีความสม่ำเสมออยู่แล้วคือความรู้สึก น, นั้นมันประจําอยู่ในอิริยาบถฉะนั้นท่านผู้รู้ทางหลายจึงเรียกว่าอิริยาบถเสมอการปฏิบัตินี้ให้มีอิริยาบถเสมอเสมอแต่เราก็เข้าใจผิด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 ฉะนั้นมันจึงมีการละรู้อันนั้นมันละรู้แล้วมันละในตัวมันอันนั้นมันเป็นปัจจัิตังเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งมันมีในจิตซึ่งมันทำลายอาสวะทางหลายออกจา ก, กจิตใจของมนุษย์ทางหลายได้นั้นทำไมท่านจึงละจิตได้ทำไมท่านจึงละความโรคได้ ทำให้แตนจิงละความโกรธได้ทำให้แตนจิงละาความหลงของท่านได้ก็มีคำเดียวเพราะท่านรู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นทาน่านี้รู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่างนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะต่อสู้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 เหมือนกันกับเรากระสั์ยุกตัวอย่างง่ายเลยเขาอาัยด้วยเน่ะอาหารของมนุษย์ทั้งหลายนั้นกับอาหารของสัตว์ต่างกันเช่นว่าไก่อย่างนี้เป็นตัวอย่างมันไปพกอะไรอะไรเขมันเป็นอาหารของมันเป็นเรื่องสมศักตบโลกของมนุษย์แต่ว่าไก่มันแย่งกันกินแต่เรามองเห็นน่ะทำไมมันละได้ไหมมันไม่เอา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 ที่พระศาสดาท่านละชวนในพวกพวกเราลให้ทิ้งให้ละก็สิ่งที่มันควรละอืมอันนั้นเทียมเห็นชัดทันกว่าทิ้งของท่านไอ้ที่พวกเราทางหลายยังจมอยู่ในโพล น, นั้นก็ไปพยายามเอาไอ้สิ่งที่ท่านทิ้งเกิดประโยชน์อยู่มันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้อืมฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของกิจการภาวนาเนี่ยเรื่องการพิจารณาให้มันแยกทายที่สุดอืม ดังนั้นที่พวกท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติในที่นี่นั้นจึงได้เกิดประโยชน์ไอ้ประโยชน์นั้นคือม่วงหมายประโยชน์ที่มันเกิดกับจิตใจของเจ้าของนั้นอย่าไปโห่งหมายประโยชน์กับคนอื่นเลยเช่นว่าจะมาอบรมธรรมะกับผมนี้ผมจะให้ธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่างชอบใจแล้ว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 มันไม่เหมือนกนารฉีดนั้นฉะนั้นอันใดก็าตามอันใดก็าตามที่พวกท่านทั้งหลายมาอุรมวันนี้ในคราวนี้นะ่ะหรือในคราวที่ต่อไปก็ดีถ้าหากามาเพื่อความสงบมาเพื่อความระงับมาเพื่อให้มันเกิดประโยชน์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 ของอุปชาดาุจจิตของอาจารย์ธรรมอาจารย์อาจารย์ก็รู้จักสงเพราะอันเตวัสิกซึ่งเป็นลูกจิตอันนี้เป็นธรรมดาเรื่องธรรมะข้อประพฤตปฏิบัตินี้ลูกจิตมันวิ่งก่อนก็ได้ลูกจิตมันวิ่งไปก่อนก็ได้เดินหน้าไปก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องนิสัย อุปนิสัยเรื่องปัจจัยเรื่องปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้ฉะนั้นต่อไปนี้พรว่ง น, นี้ผมจะได้กลับอาวอาืตามที่เราได้ปรึกษากันเนี้ยเพราะว่าถ้ากลับไปอาวาตในคราวนี้นั่นเนะี่ยธุระหลาย เห็นจะไม่ได้กลับมาอบรมอีกจ่อเมื่อวันถึงวันที่สิบแปดนั่นแหละตามกำหนดการผมจะอรรถมารับรับไปพักวันห้องปู่พงษ์นี้ก็จะอรรถมารับไปท่านแจงเพชรตามกพันดการที่เราพูดกันไว้ฉะนั้นต่อ น, นี้ไปเวรามันมีน้อยโอกาสมันมีน้อยพวกท่านทันน้งหลายที่หวังดี ต่อการประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าจะมีอะไรที่ความมีความผัดคล้องและมีความสงสัยและมีความจําเป็นที่จะศึกษาให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของพวกเราทั้งหลาย น, นั้นผมก็ขอให้เป็นโอกาสที่ให้พวกท่านทั้งหลายได้จะถามปัญหาและกระผมจะตอบปัญหาให้พอสมควรเพราะว่าเป็นวันสิ้สุดท้ายในสถานที่นี้ ต่อ น, นี่ไปต่อขอให้โอกาสพบทานทัางหลายตามสบายทุกท่านเวลามันใน้อยถันหน้าเป็นไงอันหัหน้าเป็นยังไงทุกท่านให้โอกาสแล้ว มอาที่ราบาเกิดาการิ้นนดิ้นในเบญจขันธ์้ามะนี่ี่ล้านจะทำยังไงอ่าระก็คือเราเก็บมันไว้ไม่ใช่อย่างมันก็ป่ า, าเราเบนจขันธ์ทั้งห้าคืออะไรบ้างรูปเสียงกลิ่นลมเบนจขันธ์ทั้งห้า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 วันนี้มันปวดหัวหรือมันปวดท้องมันเดื่องเบลจักขันมันเป็นอย่างนั้นที่เรามีอํานาจที่อยู่ที่เรารักกว่ามันเป็นจักขันเป็นของของเราเนี่ยแล้วก็ยาวยาจุด ย, ยารักษามันไปพอจนปวดรักษาเลยโดยกระทั่งเพียงว่าอันที่มันยากันตายไม่มีเนี่ยยเเราต้องรู้อย่างนี้เรื่อว่าการละที่มาเรา เป็นไข้เราจะต้องขอโรงพยาบาลเป็นธรรมดามันอย่างนี้เราก็นึกในใจแล้วว่าอืมตายก็เอาเป็นก็เอานี่กลางๆไว้เพราะมันไม่แน่นอนเรื่องเป็นใจขันมันเป็นเรื่องคนเป็นใจขันตึ้งตามันร้อนมันก็ร้อนเป็นขาวมันเย็นมันก็ยเย็น ขึ้นขามันเจ็บมันก็เจ็บขึ้นขาวมันปวดมันก็เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าทุกเกิดขึ้นมาก็าสักแต่ว่าทุกเวทนาสุขเกิดขึ้นมาแต่รู้ว่าสุขเวทนาเท่านั้นคือไม่มีตัว ม, มี ต, มตนของเราไปฝังอยู่ในที่นั้นนี่เรียกวการปล่อยวางการปล่อยวา ง, าวางไม่ใช่ว่ามัน ม, มีอะไรปลากฏขึ้นมานะ่ะมันมีปรากฏอยู่แล้ว มันมีปรากฏอยู่การปล่อยวางก็เห็นว่าอันนั้นเราบอกคนไม่ได้เรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตาของเบญจขันธ์มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเรื่องเรารู้จักว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันนั่นเองและเราไม่หมดทางไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันแก้ไขมันในความรู้เท่ากาบความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยวางธําที่ว่าปล่อยอย่างนั้นเราก็รู้เรื่องว่ามันเป็นเป็นนั้นแล้วก็ปล่อย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 ว่าเป็นธรรมชาตุอันนั้นเกิดมาแล้วมันก็หลักของมันไปอย่างนั้นใครจะไปร่องขอยอมือทุกสิ่งทุกประการนี้มันเป็นไปอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันก็หมดทางแก้ไขของมันแล้วได้ผวาจิตมันก็วางมันระเหยไปเองของมันนั้นองนั่นด้วยการกำหนดพีจารย์นาเช่นว่าเรากลัวอย่างเนี้ย ใจผมทํำยังไงมันถึงจะหาให้หายรัวต้องสู้กับความกลัวซะก่อนที่ไหนมันกลัวตรงไหนจะไปดูตรงไหนมันกลัวอย่างเี่ว่าป่าชาเรากลัวมันนะอยู่ป่าชาเรากลัวมันตรงนั้นเรากลัวเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นให้มันกลัวดวงสกระท่านคืนมันกลัวให้มันกลัวไปสุดที่มันกลัวมันก็เลยตายไปเหมือนกันไอ้กลัวนี่มันก็ตายไปเหมือนกันนะ่มันหายเลยอย่างนี้ ถ้ามันเป็นชนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองเช่นว่าการปวดอย่างนี้แหมมันปวดเรือ่องเตือนนะจริงเอาชนะไม่ได้ยังไงดูไม่ชนะมันก็หยุดสะกอนชิกมันอีกวาระหนึ่งนะมันจะปวดจะเก็บได้ดังไงแล้วจะเอาชนะนอาดูที่ตายตวันอะวันนี่ตายกันพูดอย่างนี้ไม่พูดมากะวันนี้ตายกัน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 ในทางธรรมะทางไอ้ข้ามเมตนาค้าบเมตน า, นาล้วตจ่อสู้อย่างนั้นอันนี้เราก็เห็นเปจักขึ้นมามการที่วางที่เบี่ยงมันทิ้งืีกะ ร, รู้เท่ามันจะปลุกยังไงเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นแก้ไขไปพอสอมควรที่เรียกว่าการเจ็บมีไหม <laughs> มี ที่สันวางวางแล้วฐันห้าวางการเก็บยัมีเก็บมีอยู่เตว่าสัตเตวาเก็บทุกอย่างยังเป็นยังเก่าอยู่นะอืมแม่จะฉันหวานแม้มันก็ยังหวานอร่อยอยู่นั่นแหละเมื่อเราจะฉันเปรี้ยวมันก็ยังเปรี้ยวอยู่เลยไม่ใช่ว่ามันพิ้งไปหมดหรอกเตวเปรี้ยวก็สัตเตวาเปรี้ยวนี่หวานก็สักแต่ว่าหวานอร่อยก็สักเตว่าอร่อยไม่ไปซ้ำมันอีกในทีนั้นเลยก็มันเปลี่ยนของมันอย่างนั้น ความรู้เท่าเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านในรู้เก่ยวรู้รูปก็คือตัวรูปเวทนาก็คือความเสบยสุขเสเบยทุกสัญญาตัวเครื่องจำสังขารก็คือความปรุงแต่งบีญญาณก็คือความรู้เราเห็นมันแน่ไหมที่นี่เห็นเห็นมันแน่นอนไหมในในรูปในเบีนาในสัญญาในสังขารในบีญญานี่ มีแต่ของไม่เที่ยงเท่านั้นเนี่ยนี่เปนสวดสูตรนี่มันได้ของไม่เที่ยงถ้าเราเห็ rain, นๆๆว่าเอออะไรมันก i mean. ็ๆๆไม่เที่ยงมันก็เท่านั้นอันนี้มันก็เท่านั้นอันนี้มันก็เท่านั้นมันจิตอย่างนั้นทังหมดเลยมันก็ว่างเลยจิตมันก็วางจักแต่ว่ามันมันว่างมันรู้มันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เราพยายามชิดอย่างนี้พยายามภาวนาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆันนั้นมันก็มันรู้เท่ากันวันมันจนได้ แต่มันก็สัมคัญธนมนุษย์นะโกรธทีแม้มันไม่สบายแต่มันชอบโกรธกันเนาะเมื่อควาองโกรธขึ้นมามันขุ่นมันัวมันไม่สบายแต่มันชอบอยากจะโกรธไม่รู้เป็นไงนี่มันชอบเป็นน่ะมันชอบเป็นมันชอบเป็น อันนี้เรีกว่ามันในเพียงมันก็ไปกวนอยู่นั้นแหละจะเอาเพียงจนได้เอาันดีขึ้นได้อืม mm hmm. อันนี้มันก่สําคัญวันนี้ต้อเกิดมันเกิดขึ้นมาอันต้องระงับไปด้วยการพิจรารณาให้มันถึงที่สุดของมันยกตัวอย่างเช่นว่าพระคิดีมณนทพระอานอนพระคิดีมณ น, นป่วยนะ โอ้โห่ร่างกายนี่มันหมดตรงนั้นเนี่ยพระพุทธองค์มีมนพระอานนุ์ไปเทศนิฟังเทศน์เป็นบรรยากาศนี่เดียไปถามว่าวไอ้ที่มานน่ะเป็นไงท่านเก็บที่ไหนปวดที่ไหนท่านว่าโอ้โห่ท่านผมตอบท่านไม่ได้เลยครับขึ้นเชื่อไปในร่างกายนีที่ไหนไม่เก็บที่ไหนไม่ปวดไม่มีเลย พระอนันตเวรเทศสัญญาสิทธิ์จงๆสัญญาในขันห้าเรื่องมันเป็นของไม่แน่นอนเนี่ยที่นี้มานก็ฟังไปด้วย จ, จิตก็สงบเข้าจิตก็สงบเข้าวภาวนาก็เห็นเขาไปจิตสงบเขาไปด้วยด้วยปัญญาก็เกิดเออเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงสักอย่างหนึง่งไม่แน่ไม่นอนไม่ใส่ตัวใช่ต้น ไ, ไ, ไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอย่างนี้ มันก็ได้แยกกันออกคนละอย่างอนความยึดมั่นถือมันมันได้แยกออกจากเบรทนาทั้งหลายเหล่านั้นในเวลานั้นจิตใจของท่านไม่ไปยึดในเบรทนาทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าพระคดีมโนนเกิดความสบายเพราะความทำสัญญาสิทจากพระอานอนท์ฟังแล้วโลกก็หายอย่างนี้แคว่าเมื่อพระป่วยตัววันนี้ก็พยายามไปสวดในฟังนะ แต่ว่ามันไม่หายแต่ว่าแต่ว่าว่ามันไม่หายคือคือมันไม่รู้ธรรมะตามเป็นจริงนั่นเองอ่ะสมัติอก็ยิง ล, องงล้องยิงกลางไปด้วยอยมันไม่หายนี่ก็คิดไม่ธรรมะนี่ไม่ใช่ไอ้ความเป็จริงนั้นไม่ใช่ตรงนี้นะเทศให้เข้าใจธรรมะแล้วคิดมันว่างยอมทิ้งไปมันว่างอย่างนั้นอืม แต่ว่าทำ ม, มาที่เข้าใจในใจจริงๆ ก, กับธรรมะที่เราไปยินเฉยๆนี่มันต่างกันนะสวดให้หายนะมันไม่หายหรอกถ้ามันพอใจเสียจริงๆแล้วมันหายเของมันเนี่ยมันสักเทว่าสุขสักเทว่าทุกข์แต่มันก็หายอันนี้ก็เป็นเครื่องสีสําคัญของพวกเราเหมือนกันนะอืมถ้าวถาคว่ามีไอ้ปิดตาปิดจิตก็เป็นแค่ มันก็มันก็เป็นไม่ทาบว่าแบทางแบบป้องกันให้แบบที่ชัดเจนๆการทไม่เกิดน้ำท่วมอ่ถ้ามีชตาทีๆขึ้นไปแล้วมันก็ทุกเกิดขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันก็มีทุกเกิดขึ้นมานั่นแหละที่ว่าคนทำห่วยนะเพราะว่าที่ว่าตักในขั้นบนราคนที่ไปทำใน าาการนีฬิกาเนี่ยเขาคิดว่าเขาตั้งแต่ได้ฆ่าคนไปเพราะว่ามันจะเกิดอะไรไม่ได้อย่ังนั้ น, อ, น, นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องคนภ า, นาันาคนยังไม่รู้จักท่านต้องไปทาให้รู้ในธรรมะอันนี้อันนั้นกี่คนยังไม่รู้จักอืแต่ว่าคนยังไม่รู้จักอันนั้นผิดไหมมันก็ผิดในค่าง มันก็ผิดอยู่มีจฉะนั้นทันจึงให้ศึกษานทันจึงให้ศึกษาบางคนมันก็ว่ามิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิของเขาใช่ไหอมันเป็นเทนั้นเท่นั้นทันจึงให้ศึกษาหาเหตุผลอันนี้ในมิจฉาทิฏฐิด้สัมมาทิฏฐิอันนี้มันไปไม่จบอมันมีอันตรายกางคันถ้ามันเป็นเท่นนั้นเดี๋ยวมันทุกข์เช็นว่า อ่ามันไปโป้นเข้ามาเช่นนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิกับสักว่าแต่ทําไปนะเอ้ามันสักว่าแต่ทําไม่ได้ท็อกตัวเนี้ยเนาะมันสักว่าแต่ทําไม่ได้ไปโป้นก็ตีมันสักว่าแต่ทำเด้่ยถึงเขาจับมาได้กอาไปติดตะลังหรือเขาจะคิดว่าสักว่าจะติดตะลังเฉยอันนี้มันเป็นคำสมมุติที่มันไม่มีนะอืมที่มันไม่มีไอ้ความไอ้ความเป็นจริงอันนี้ที่สักแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องของสมาติฐิแล้ว มันเป็นไม่เป็นเรื่องของมิจฉาเฉติสักแต่ว่าอย่างนี้มันเป็นคนแอบท่อนอยู่แต่มันก็คงมีเหมือนกันน่ะมันคงมีมันคงมีเหมือนกันอืมแต่คือคนไม่คือคนนั่นมันหลงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเสียมันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าแมวนะแมวอย่างเนี้ย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 ไอ้ตรงนี้มันอยู่ไม่อยู่ในล็อกนี้มันอยู่ในล็อกนู้น อ, อืตรงนั้นพวกนั้นพระพุทธเจ้าควา่รับการพิจารณาไอ้กรรมของศัตว์ก็ผักไปตรงนูน้มันผักไปตรงนูน้ไม่ได้มารับดีใจในตรงนี้อันนั้นเรียกว่าหลงอืมจนกว่าเทวันเป็นอภิภาษัตแล้ว น, นั้นเป็นอภิภาษัตมันเป็นส่วนหนึ่ง น, น, น แต่ว่ามันก็พี่เรียกว่ามันทําอย่างนี้แต่๋ยวมันมันพ่นคนกต่สักเดียวก็พ้นคนฆ่าคนกต่สักเดีว่าคนอันนี้ถ้ามันไม่พูดเอาเฉยๆมันก็คงเป็นไปไม้นดจับไปจิตตารางมันก็สบายใจมาสักแต่ว่าจิตตารางมาคงคิดไม่ได้นะอันนั้นเนี่ยอันนี้มามนุษย์กรรมกระตร้นอยู่ในไวัยหนุ่มชอบอบบนี้มันอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเรา ไอ้ความทุกข์กับความสุขเนี้ย่ะมันเกิดขึ้นจากการพ้อเห็นผิดเห็นถูกก็นีองถ้ามันไม่รู้มันก็ยังไม่รู้จักเช่นว่าเรานะจะไปกรุงเทพนะเอากระเป๋าสตางค์ใส่ถุงไปกระดีไปอยู่นะมเมื่อเดินลงบ้านไปจากบ้านไปไอ้เป๋าสตางค์มันดูดออกไปแต่เราก็เข้าใจผิดนะเนื่อว่าเป๋าสตางค์ก็ยังอยู่นะ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 แต่ก็เรากำหนดได้ยอย่างเดียวว่าอะไรก็ช่างมันอันนี้ผมก็เคยพิจารณาอนปั น, นคนคนเดียวพิจนารณาไม่รู้ว่าหลงหรือไม่หลงนะไม่รู้จักนะเวราภาวนาไปดื้อๆทำไมถึงไม่รู้จกรรักว่าเราหลงหรือเรารู้ว่าไม่รู้เกิดการพิจารณาุนเวียนทุกนี่แหละสาคัญมากมันเกิดทุก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 ไม่มีอะไรเียมันจะเกิดขึ้นอีามันไงถงจะพิจารณาเห็นรูปแรกตาม่ว่าบางทีมนยงรู้สึกว่ามันยังไม่พิจารณาน า, นามความงไม่ส่อได้ัิานนใช่อันนี้ <laughs>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 มีอะไรเราก็เขียนพยายามนึกพยายามเขียนพยายามน่ะเรียกมาพยายามเรียกว่าความเขียนและพยายามอยู่นั้นมันก็มีเรื่องเขอ่างเงี้ยที่จะพยายามให้มันรู้ให้มันเห็นแต่ว่าจะไปบังคับให้มันรู้เดี๋ยวนี้มันเห็นเดี๋ยวนี้มันรอมเปลี่นไปมันก็ลาบากนะอ่าเรื่องธรรมะนี่เรื่องที่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อในการกิตเจองสม่ําเสมอในการปล่อยวาง ผมไปเล่าให้ฟังว่าเมื่อนั่งสมาธิอย่างนี้เราจะอยากให้มันสง บ, บเดีายวนี้อย่างนี้อย่างนี้ยิ่งมันยิ่งวายบางครั้งเราทําใจปล่อยให้สบายเสมอพอเอาเท้าขวาทับขึ้นไปมือใช้ทับมือขวาขึ้นไปแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมายมันสมดุลกันมันก็สง บ, บกว่าไปอันนี้ต้องประอกอบความเพียรต้องพยายามความเพียรดูความเพียรก็หมแล้ว มันไม่หมดอกมันไปมันไปจนในที่ความละเอียดเลยมันไปจนอยู่ตรงนั้นต้องพยายามตรงนี้ไม่มีอะไรจะแก้ไขแล้วแก้ไขจะต้องพยายามตรงนั้นมันจะถอดสร้างอันนี้เอาไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้คได้แต่ไม่ได้ถอดนะมันเป็นเองมันนะครับจะถอดออกไปมันนั่งมันตัวเราถึงใครก็เป็นตัวเราถึงนั้นนี่ครับเรื่มตาขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นดับตาจนเป็นตัวเราจริงๆทุกอย่างทุกส่วนทุกสิ่งไม่ได้สงสัยเลยครั เส่เมื่อจิตมันเป็นมันมันมันแน่นอนนะมันไม่มีไม่ไม่ห่วงไม่เหงาไม่มีดีวรจ์อยงนี้ใส่ใจจนกว่าเรามหัศจรรย์เรื่องของเราเองนะครับไม่อันมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมันไปได้จริงๆรืมตาขึ้นอี่ยมันหายไปตับตาแล้วมันเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันเป็นอย่างเนี้ยอันนี้เราก็ไม่ถี่จะพูดมี่เรืสมาธิถ้าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนไม่รู้จักนะถ้าพูดไปพบกรหาว่าเราเป็นบ้าบางทีก็เป็นอย่างเขาว่าจริง ก็พูดให้ดูเรื่องเนยฉนั้นอันนั้นเรื่องสมาธิเรื่องไม่ดูจักเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเหตุผลอย่างอื่นนะเรานั่งสมาธิถึงจุดนี้เป็นอย่างนี้เกิดแล้นั่งขึ้นมาขึ้นมาอย่างท่านเนี่ยอย่างท่านเนี่ยอย่างท่านเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้จะมาเบียดเบียนผมยังไงพอนั่งปุ๊บก็ไปเนี้มันเกิดขึ้นมาตัวท่านองค์นี้หละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงีรษะนั่นจริงๆ มาแล้วมาทำหอกมาทำอาวุธมาตวาดอะไรบุนแรงวุ่นวายเนียอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีครับพรุ่งนี้ปรือนี้สัวันมาแล้วเราก็ดูแต่อีตานีคนมาแล้วนั่นระวังไงมันดีดนะมันแน่ก็มีครับมันแน่อเนี่ยมันเป็นสีย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่ครับคราวมันเป็นมันก็เป็นไปข่าวมันไม่เป็นมันก็เป็นไม่เป็นไป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 มันได้ดีไปได้หลายอย่างไปครับเอขนาดนีนมันเสื่อมอันนี้มันเสื่อมทีนี่เรื่องจิตใจคงองเป็นสมาธินี่กับเป็นวิปัสสนานี่โอ้ยมันไกลกันมากไอวิปัสสนานเดินโรงทรงจะลืมตาก็ได้จะรับตาก็ได้มันรู้อยู่อย่างนั้นนะอ่ะออมันมีอยู่คือมันเข้าใจอะไอย่างเงี้ยเที่ยไอสมาธินี่ถ้าจิตเข้าไปแล้วก็เรียกว่าโอ้โห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 ไอคนเอาทาห์รู้นะมันมันไม่ค่อยเชื่อเนี่ยมันแปลกแบบนี้นะไอถ้าพูดี่เรื่องภพมโรคในเรื่องเทวราอารักษทางไหนายโอ้โหมันเชื่อแล้วเกิดมาดูดเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันเนาะจะว่ามันฉลาดมันก็โง่เหมือนกันนะออมันแปลกเหมือนกันอย่างนี้มนุษย์เรามาชอบเป็นเงันครับทีนี้เรื่องทางศาสนาเราก็เรียกวคันถาโุระหรือพัฒนาธุระอคันถาโุระในการศึกษาอย่างเช่นศึกษากันพ่อเนี่ยอืม อดิปรสนาธุระคือมาพิจารณาให้มันแยกภายในความรู้เราทั้งหลายมาทำให้มันถูกต้องให้มันเป็นไปตามให้มันตรงกับจิตใจมาใช้เรียกว่าเป็นปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่มีมากก็ได้น่ะมันมากเฉพาะจิตใจของมนุษย์มันไม่ลงกันเท่านั้นแหละไอ้คนนี้เห็นอย่างนั้นคนนั่นเห็นแบบนี้มันไม่มีจบสักทีหรอกผลที่สุดก็เลยเกิดอันตรายหลายอย่างติดไม่ระงับอยู่ข้างนอกต้องระงับอยู่ข้างในไอ้ฉะนั้นผมก็เรียกว่า ได้อบรมลูกศิษย์วันี่หลายหมื่นหลายแสนคนเหมือนกันนะมันก็เห็นมันเป็นแค่นั้นครับอืมจะให้ท่านองนี้กับองเนี้ยไปเรียนมาไหนศึกษาธรรมะกันทันทีเอเนี่ยเอาลองกันเถอะไม่มีทางจบแล้วไม่มีจบละอีอันนี้มันจบไม่ได้มันกรมเนี่ยกมมันกลมมันกรมวงขนาดนี้ก็จบไม่ได้นะวงขนาดนี้ก็จบไม่ได้ก็เพราะมันกรมเนี่ยเอาสีรองดูสิมันเป็นวัตจัรมันพูดไปตามวัตตัก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 ตาตาสางมันตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นคางแดงตาคังแดงตายแล้วมันเป็นอะไรไม่ไปไม่ไหนไป ม, มันเป็นขดผ่อขดแหม่หมดเลย <c oughs> คือมันไม่รู้เรื่องของมันครับนี่แหละเ ร, เรื่องเรื่องมันไม่จบเอเคให้ท่านวิ่งไปข้างหน้าดีผมจะไล่ท่านเสียท่านจะหมดที่ไปไหมวิ่งไปจนที่เท่านั้นแหละ เออเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ครับมันเรื <laughs> ่องมั like นโลกแตกอย่างเงี้ยเอาเรื่องอย่างนี้เราจะไปเอาเหตุผลจนปอบมามันอย่างงั้นเลยมันไม่จบครับเหตุผลนั้นไม่จบถ้าจะพูดอะไรแล้วก็ลบบโลกเราจะต้องให้มีเหตุผลนั่นนะเหตุผลในส่วนศียธรรมแบบนี้ถ้าเหตุผลอย่างลึกลับไม่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลไม่จบทุกคนมันมีเหตุผลทั้งนั้นนะมีเหตุ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 เรียกกระบมาด่าหลานเท่านั้นเนี่ยมันไปไม่ได้จะทำไงล่ะเนี่ยขอให้พวกเราสหายเข้าใจว่าในการปฏิบัติอย่างนี้ให้มันดูใจจะพุ่งออกไปมันมากเลยผมตามพอแรงเงื่อนตันอันนี้ตามไปแล้วครับอืมันยิ่งไกลไปไกลไปย้อนกลับมาดูต้นทีว่าวันนี้ใจเราสบายเนี่ยสบายเพราะอะไรเนี่ยวันนี้ใจเรามันเป็นทุกข์ทเพราะอะไรไม่ใช่วันมันเกิดมาได้ร้อยหรอกครับมันเป็นทุกข์มันมีอะไร นั่นอหิเตมันเนี่ยกับเหตุมันทุกพลทแก้วใบนี้มันแตกนี่มันจะเป็นยังไงแก้วใบนี้มันทําไมมันถึงแตกมันเป็นทุกแก้วใบนี้คืออะไรเราจะถามอืมแก้วใบนี้มันแตกไอ้ของมันแตกเนี่ยแก้วใบนี้คืออะไรถามมันไปแก้วใบนี้มันก็ไม่ไม่ไรู้จักมันเป็นแก้วสมมติถ้ไม่รู้มันเป็นอะไรมันก็ไม่บอกกันนะ่เกิดมาแล้วมันแตกมันแตกทําไมเราถึงเป็นทุกข์เพระเราเข้าใจปะของเรา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 เราอยู่บนบ้านแต่เราไปเกิดเป็นร่วงอยู่ทุกต้นในใ น, ในวัดตรงนี้ของวัดนอื น, ะนทาไมจะเป็นงั้นนะอืเรามีสวนมีสักร้อยไร่ปลูกลกําไยขึ้นไปให้คนอมีดมาฟันที่ไปตัดที่โป๊ะโป๊ะอะไรเง้ยคือฟังว่าใครมาตัดต้นมันถูกเราแล้วนไหมไปรู้ก็ไปตัดต้ น, นลาไยลราเอาแล้วถูกเราแล้วนะเจ็บปวดแล้วนั่นเองครับนะคือตัวประธานนี่เป็นตัว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 ลของเราแต่ให้เรารู้เข้าไปซ้อนเข้าไปอีกกอันนั้นของเรานโดยฐานกี่สมมุติถ้ามันจะเอาจริงจริงจังๆแล้วก็ปล่อยมันนะเราไม่ต้องเป็นทุกข์มันก็มาตัวหนึ่งนะอี่มาตัวนี้มันฮึบเลี้ยงมันยากลำบากจับเชือกมันวิ่งแล้วก็จับมันไว้เพื่งต่อยนครับถ้ามันวิ่งเต็มที่มันอย่าไปจับมันนะครับปล่อยนะเดี๋ยวเดียวมือมันจะขาดนะให้มันไปเตะโซ่กับมาอย่าให้เราเสียอะไรนะ ถ้าเราจับให้มันเราแน่แต่มือเราขาดนปล่อยไหมถ้ามันไปขนาดนึงแล้ก็ตึงมันไว้ตึงมันไว้ที่เราสู้มันได้อะไรทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยร่างกายของเรานี่ยเมืนกันสามารถจนดีดีเหมือนกันถ้ามันป่วยขนาดนึงแล้ก็ให้ยามันรักษามันไปนะถ้ามันเอาเต็มที่ไม่ไหวแล้ก็ให้มันเลยครับอย่าไปยุ่งกับมันด้วยอานมึงไปเหอะเออมันมีท่อนนี้เท่านั้นแหละมันเกิดมาแล้วมันก็ไปมันหมดที่จะรักษากันแล้วเนี่ยมันหมดที่ของมาแล้วให้มีที่จบอย่างนั้นสิ แต่เราไม่ค่อยากคิดกันอย่างนั้นนะเรามีตาคนหนึ่งมียายคนหนึ่งรักพ่อรักแม่รักตารักยายอยากจะให้ท่านอยู่นานๆนะในเด้กแปดสิปีก็ขอเก้าสิปีเก้าสิปีก็ขอร้อยปีร้อยปีก็ขอร้อยห้าสิปีร้อยห้าสิปีก็ขอสองร้อยปีวะไอความคิดเราอย่างนั้นมันถูกหรือป่ะเราไม่คิดเลยนะ แต่ว่าความคิดมันมีทุกคนอยากให้อยู่ น, น, นานๆแต่ว่ามันอยู่นานไม่ได้ถ้ามันถึงที่ถึงสมัยมันล้วก็ให้ไปเราอยาให้มันเป็นทุกข์เราดูจักขอบเขตนี่เดียวว่าผู้รู้นี่ก็เรียกว่าของเราของเราก็ไม่ใช่ของเราเันตนกันอยู่เนี่ยของเราโดยฐานสี่สมมตุติของเรามีที่ไหนไม่ใช่ของเรามีที่นั่นเข้าใจไหมให้เข้าใจอย่างนั้น ถ้าเรายัางใช่มันอยู่ก็เป็นของเราใช้อยู่ถ้ามันจะไปยิงหรือเราจะไปจากมันเราก็ไม่ใช่ของเราแลา้นน๋ยวนี้อันนี้ ก, กับตัวของเราเนี่ยมันของคนในอย่างอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเรานะบางทีเราก็ไปก่อนของเรายังอยู่เห็นไหมบางทีก็ของเราไปก่อนเราก็ยังอยู่นี่ครับเนี่ยมันคนสองคนเท่านี้เมื่อไรมันจะแยกกันเราก็ยังไม่รู้เราให้รู้มันไว้เราต้องแยกกันอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเรา ไอ้ของของของสองอย่างเนี่ยมันต่างจากของไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละเราใช้ไปเพื่อปัจจุบั น, นธรรมเดี่ยวนี้ใช่แก้วใบนี้เพื่อดืนานาม่มน้ําเพื่อทํางานธีริศเป็นอยู่แต่นั้นเนะ่ยก็ไม่มีอะไรนี่ถ้าหากวันนี้ใช้แก้วใบนี้แล้วก็ ก, ก็ทิ้งมันไปอันนี้ไม่ใช่ของเราเลี่ยตัวเราก็ไม่ใช่เราของเรามันก็ไม่มีไอ้ความเป็นจริงมันไม่มีทุกอย่างไอ้ทีเรื่องเรามาพิจารณาชนนีเป็นโทษก็มีนะ เป็นโทษก็มีนะ่ะยังเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่คนนะ่ะมีรูปเกิดขึ้นมานั่นนี่เราเรียนธรรมะแหม่แม่เราไปบวชกับหวงพ่อไปศึกษารธรรมะไม่ใช่ของเรานะนะออกไปเป็นคารวาสอ่ะช่างมันเถอูกมันไม่ใช่ของเราแนละ้วางเช่นนี้กวางมันไปเถอะฉิบหายนะนี่นะออ อ, อันนี้อันนี้มันจิบหายนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นะ มันไม่ตรงไปอย่างนี้นะมันสับซ้อนแกัน่ะอืออันนี้พ่อได้ไปเรียนมาช่างของพ่อมัดประพงอ่ะไปอยู่ป่าเขานั่นเป็นต้นตอนในเด็ดขาด้วยน่ะอย่าไปทําเช่นนั้นมันมีพั่วจะใช้นะระวังให้มันดีๆนะมันซ้อนกันดีไอ้ที่เดียว่าไม่ไม่มมไม่ใช่ของเราเราเกี่ไหนเราวัดเราวังอ ะ, ะเอาเอาไปเอาใส่ทานนะ ล, ล้างให้ดีนะลูกนะเก็บไปให้ดีเช็ดให้ดีเรียมันจะแตกแล้วพูดไปเอะ ต้องไปในถ้ำนองนี้มีแต่คุณผู้คู่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นผมจึงเด็ดขดมาอาะระไม่ต้องเรียนเนี่ยนะพอเท่านี้ก็พอไอจุดมันอยู่ตรงเนี้ยเอแต่มันพูดทุกตรงนี้มันก็พอแล้วนีน่แล้วผมจึงเดีพูดวันนั้นว่าก็คงจะไม่รู้ว่าเราเรียนกันมานานๆเกิดมาพ่อแม่ศึกษาหรือมันคนในอย่างกันะแต่ว่าเรียนผลทุกไม่ได้เรียนเอาอนนั้นน่ะได้อนันมาเราที่เกิดคนทุกอย่างเนี้ย อันนั้นเสียไปเราก็เป็นทุกข์อยู่ได้นั้นมาเราก็เป็นทุกข์อย่างเนี้ยเราเรียนขนาดนั้นธรรมะไม่ใช่ว่างั้นเอาอันนั้นไป้ของสมมติได้มาไม่ให้มันเป็นทุกข์เสียไปนให้มันเป็นทุกข์อันนี้มันมีต่างอย่างนี้เรียนทั้งโลกเนี่ยได้นั้นมาเราไม่ให้มันเป็นทุกข์แต่ว่าได้มามันก็ยิงเพิ่มเป็นไม่รู้จักไม่รู้จักทุกข์คือมันมากขนาดั้นมันก็ทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์เพราะ่ามันทุกข์อย่างนั้นมนััมมนืดอยู่ พระพุทธเจ้าแต่ไม่ไม่ถึงว่าไอ้การการพ้นทุกข์เนี่ยไม่ถึงว่าการมีทรัพย์มากการมีอะไรมากๆ ก, การมีความรู้อะไรมากๆากท่านหมายถึงนั่นคนมีทรัพย์กมากเยอะไปเห็นไหมคนมีความรู้มากมากเยอะไปเห็นไหมพ้นทุกข์ไหมมีไห ม, มอย่างนีนน้ท่านหมายถึงความถูกต้องให้มันรู้จักกเรื่องอย่างพร้อมเตียมอันนี้มันแก้วอะไรดิสินเสียหรือไม่อย่างนี้ มีพวกโรคทั้งนั้นก็คงเสียงกันจนไปจนอุดสดนแล้วเน่นี่นะไม่จบเลยมันเป็นอันนั้นะอนนัน น, น, น, น, นี้วันหนึ่งผมนั่งเรือข้ามแม่น้ํากับดร็อคเตอร์มาจากฝรั่งดร็อคเตอร์อืไอคนนั่งก็เลยมาปฏิบัติ ด, ด้วยนะแก้ขัดในการทําวัดสมุนในการทำํำสมเนแกเหมืนอน ล, ลองเพลงเล่นเท่านั้นเล่นว่ารลยเถอะลงเพลงเล่นก็ลองไปเถอะ ก็เราชอบการฟังเพลงอย่างก็ร้องเพลงเด่นเลยเนี่ยแกมารู้จักแกมาพูดวายหลายนะแกได้มาพูดถึงเรื่องได้ต่ออะไรกันอ่ะอ่ามาพูดถึงเรื่องเคมีอะไรกันเราก็ไม่รู้อย่างนี้มาพูดถึงน้ํากับไฟนี่แหละนั่งรดูอื้ถามเขาอันนี้คืออะไรน้ําอะไรมันเป็นน้ําเขาก็บอกว่านั่นนั้นผสมเป็นนั่นอะไรมันเป็นนันนั้นนั่นไปอยู่ล่งกว่าสามไปเรื่อย เราเลยไม่ไม่ไม่ไม่ตอบไม่ได้ครับนั่งไปอะไรมันเป็นไฟเพราะว่าอันนั้นมันสมมําเป็นไฟอะไรมันเป็นอันนั้นนั่นตอบอีกผมถามไปเรื่อยๆครัได้ไม่มีอะไรก็ได้หมดเอ้ยไม่ี่่ไมจริงไม่จริงผมไม่ต้องพูดมันมากเขาเรียกว่าไฟเขาไฟซะก็แล้วกันเขาเรียกว่าน้ําแล้วก็ว่าน้ํากันก็พอกันแล้ว